แลว้วก็ความดันมาสิบกว่าปีแล้วก็ไปหาหมอทานยาเกิดถ้าอเมริการพิ่งว่าเป็นสโต o นะคะก็สองร้อยกว่าแล้วก็เป็นคอสเตอรอด้วยแล้วเสร็แล้วก็ถ้าเผื่อว่าไม่มีบุญมาช่วยก็คงจะเดินเป็นอามาพึกงอยากคุณแม่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอ อ, ออกมาจากโรงพยาบาลก็ก็ก คุณหมอบอกว่าอย่าทานเกลือนะแล้วก็ให้ยาที่ใช้แรงสูงมากเลยค่ ะ, ะ, คะยาตัวหนึ่งเนี่ยประมาณสี่รอยกว่าเหรียญจะสี่รอยกว่าเหรียญ น, นี่คิดเป็นเงินไทยเอาสามสิบคูณใช่ไหมคะค่ะก็ประมาณนั้นนะค ะ, คะแต่แต่ที่ที่บอกเพราะว่าอยากจะให้ทราบว่าเป็นเป็น s t r เนี่ยสำหรับคนอเมริกันนี่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะตรงนี้ชอบพูดภาษาไทยแปลว่าอะไรเออก็ เขาเรอะไรนะความความดันอย่างสูงะความดันอย่างสูงสุดเช่มคะคแล้วก็ไปบวกกับคาราเรตรอร์สูงด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานอาหารทะเลมาตแต่เด็กก<ช>่อนแล้วตอ น, นเด็กๆก็ถ้าเบื่อทานอะไรก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงอะไรเนี่ยก็จะต้องใส่น้ำปลาไปก่อน<ช>เป็นคนที่ชอบทานเผ็ดมากๆแล้วก็เผ็ดมากเผ็ดมากค่ะก็เวลาเนื้อออกเนี่ยเป็นคนที่เนื้อออกง่ายๆแล้วเวลาเนื้อออกมาเนี่ยนะคะขอโทษนะคะ ตัวเนี่ยเหนียวเหนวนะพราะวาความเค็มของพี่พลังไงค่ะก็เป็นคนที่าาทานเค็มก็ได้แทานเค็มเนี่ยจะฝากยากพี่น้องไว้ว่าอย่าทานเค็มนะคะดูดิดดจักเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเออ่ล่าสั้นอีกนิดนึงว่าก็กลับเมืองไทยบ่อยไปอยู่เมืองเอเมริกาสามสกว่าปีค่ะและ้วก็ก็พอพอกลับกลับมาจากเมืองไทยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มาอยู่ได้ปีกว่ า, ก, วาก็ไปเที่ยวทำบุญ ก็คิดว่าเออส่วนที่เหนือที่พระพุทธเจ้าให้มาเราก็คงจะเป็นงานบุญบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วครั้สุดท้ายที่กลับมามีน้องคนนึงเนี่ยเขากลับไปสายการบินก็ตรงมานั่งบังเอิญคงไม่บังเอิญละค่ะคิดว่าเอท่านบอกส่งอะไรมาให้เราเป็นข้อสํำนึกคิดนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยไปเป็นมะเร็งเต้านมนะ ไปบําบัดมาไปรักษาหมอเขียวมาเอ่อที่ที่เอาไปนะเพราะว่าหนูก็ไม่อยเป็นมะเร็งอีกข้างหนึงอ่ะตัดไปข้างหนึ่งแล้วเออพี่ก็เป็นกวงดันเหมือนกันเนาะเออถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอออยากจะขอเบอร์โทรศัพท์คุณหมอไว้เผื่ออันนี้คงจะต้องสนใจลนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้ากลับทุกสามเดือนเนี่ยแล้วถ้าเบิดอีกสามเดือนไม่กลับเนี่ย เดี๋ยวจะเป็นโรคไตโรคตับอะไรเพราะว่าทานยามาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยและเป็นยาที่ที่แรงมากเนี่ยวันหนึ่งต้องเป็นโรคตับไตไข้ภูมิแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยกลัวขึ้นมาก็เลยเป็นสาเหตุว่าน้องคนนี้ามาเล่าให้ฟังระหว่างที่กลับไปเอที่อเมริกาด้วยกันแล้วก็เขาไปอัดซีดีมาให้หนึ่งก๊อปปี้แล้วก็ไปอัด หนังสือมาให้หนังสือยันนงนะคะมาเล่นเลยโอ้ยแล้วพี่ยูอเมริกาจะไปหาไปยันนังทางได้ที่ไหนแต่โชคดีนะคะออบอกต่อๆไปด้วยสำหรับญาติออพี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศคุณหมอบอกว่าเออที่แช่แขนไปก็ใช้ได้มันจะลดไปประมาณสิบหรือย0สิบเปอร์เซ็นแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังดีกว่าไม่ดีนะคะถ้าเผอมาอยู่ในรากานี้แล้วเสร็จแล้วก็ มาที่นี่ก็ประทับใจมากๆได้พบเพื่อนกรลยะนานมิตรได้ทําคัลวิลที่อาจารย์โสภาฝากมอบหมายไว้ก็มีความภูมิใจมากบอกตรงๆเลยนะคะเปิดใจเลยว่าตอนที่เอาเงินมาเนี่ยเอามาห้าพันอุ้ยเหลือแลแล้วละก็ซื้อของไปนอสอง0ันเสร็จ เอ๊ะซื้อุกวันเลยซื้อจนหมดเลยหรืออีกสักประมาณพันกว่าเอถ้าเราทำบุญค่าน้ำข้าวไฟพันเป็นสงสัยคงไม่พอหรอกเมื่อเช้าไปเปิดเงินมาแล้วก็ฝากให้คุณหมอได้ร่วมมรดโมธนาเพราะว่ารายการศูนย์บาทเนี่ยมันคงไม่มีในโลกนี้อีกต่อไปแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็ได้ช่วยเหลือ คนที่ต้องการรับความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ไม่เสียไม่จะได้เข้าจะได้ไม่เสียชีวิตนะคะแล้วก็หรือจะต่อชีวิตหรือช่วยชีวิตอะไรอันนี้แล้วแต่บุคคลของแต่ละบุคคลนะค ะ, คะส่วนที่นี่ที่รู้ก็คือความดันตั้งแต่มาเนี่ยไม่ทนันยามาเลยบบนนเ อ, อวันแรกวัดร้ <135 S 2> อยสามสิบห้าแล้วก็ เออร้อยสามสิบห้านี่ถ้าไม่ทานยานี้คิดว่าลดลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเองก็จะเป็นคนที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยช่วยได้แล้วก็เอ่อเอ่อความดันลดลงไปใช่ไหมคะไม่ทานยา นะคะเราเดินไม่ทานยาโดยที่ไม่ได้ทานยาชื่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ต้องทานยาช่วยชีวิตแล้วอันนั้นเป็นจุดประสงค์แรกที่มาเพราะว่าคนไมอยากทานยาช่วยชีวิตเลยพบจุด สคัญาจุดสําคัญแล้วก็จะมาอีกนะคะค่ะแล้วได้มาพบทุกๆคนเพื่อนกาลยานะมีแต่คนค่ะแล้วก็ได้มาพบพี่น้องในธรรมะทุกคนเนี่ยเขาบอกตรงๆว่าดีใจมากๆก่อนนี้ก็ใจสมทำมาแล้วนี่ค่ะสับสนธรรมเป็นทูกศิษย์หลวงพ่อวัดน้ําอ้ำก็ไปทาบุญทุกวันพระอยู่แล้วแลค่ะถือศีลในวันพระใหญ่ๆก็ถือศีลหลายวันค่ะก็จะเจิดกราสายทานธรรมที่ไหลมาที่นี่ คนที่มาที่นี่คุณหมอบอกแล้วว่าคนดีจงมาก็ไหลสายทางธรรมก็ไหลมาจากหลักสารพิษเลยใช่ค่ะขนาดยูอเมริกายังไหลมาได้เลยค่ะก็ชื่อคุณหมอนี่ไปไกลมากเลยนะอยู่คนที่อเมริการู้จักคุณหมอมากๆเลยแล้วก็มารู้จักมานาแล้วด้วยนะคะค่ะแล้วก็คิดว่าจะเมื่อไหร่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นเเดือนพฤศจิกายนค่ะหรือเดือนธันบาคงได้ร่วมบุญกันอีกนะคะ มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมผู้ฟังตรงนี้และสังบ้านไหมท่านผู้ชมผู้ฟังอยากให้ถึงแม้จะกลับบ้านไปขอให้มีจิตใจมุ่งมั่นทําตัวนี้ต่อไปเพื่อหนึ่งได้เออเลิมบอกไปว่าจะเอาไปช่วยคุณพ่อด้วยพ่คุณพ่อฉีดอินซูลินเป็นเบาววานอยู่อเมริกาหรืออยู่นี่ฉันอยู่ที่นี่ค่ะกลับมาแล้วท่านอยู่อเมริกา <8 S 2> หเหือนกันแปดเดือนเนี่นะคะขาตอนนี้กลับมาอยู่แปดเดือนแล้วนะคะ ก็คุณพ่อก็เป็นคนที่ไม่ชอบทานค่ะแต่ที่จะได้ไปก็คือจะไปดีท็อกซ์ให้คุณพ่อแล้วก็จะไปขูดไอ้คูซาให้ครูซาให้คุณพ่อแล้วก็จะไปทำเอ่อน้ำใบเลน้ำให้คุณพ่อทานค่ะแล้วก็อันนี้เป็นจุดประสงค์ว่าเราได้ช่วยตัวเองได้ช่วยญาติพี่สาวแล้วได้ช่วยบอกต่ อ, ตอไปจากเพื่อนเพื่อน เออการยานั้นมี ต, ต่อไปให้มากลับมาในราการนี้ด้วย่แล้วคุณพ่อเนี่ยอายุเท่าไหร่คะแปเกค่ะมีโรคอะไรมโรคเาหวานไหะนนแล้วก็โรคบังดันดิเจนนะําพี่เจนไดมีวิชาพิเคุณพ่อคุณหมอแพททางเลือดอายุเจวันไม่ใช่หลักสูตรเจ็ดวันนะคะนะมั่นใจั้มที่เจช่วยกับอได้มั่นใจค่ะ้ใจแล้วทำน้ําลอรฟิลหลายวันนะะี่หน<ร>ักไหมคะก็หนักเหนื่อยหนุกหนักเหนื่อยสนุก มีความภูมิใจค่ะคือจะว่าหนักไม่หนักค่ะแต่ว่าได้ดีใจได้ได้ดีใจได้ช่วยได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้ช่วยให้ที่เราทา้งทำได้ได้แลกทานด้วยกันมีประโยชน์น้องต้องยังบอกไปบอกว่าที่ที่ตั้งใจทําช่นเลยบอกว่าเวลาที่ขยำเนี่ยที่ใส่ความรักของพี่ไปด้วยค่ะก็เลยน้ำผลไีก็เลยมีประสิทธิตนะคะค่ะ ก็ทำให้คอท์นี้มีน้ำโพรพิลดือดตลอดขอบคุณคุณงานคุณหมอและทุกทคนและเพื่อนร่วมทีมงานและเพื่อนจาลยานมิตรด้วยนะคะค่ะอย่างอีค่ะจะเริยนทำสำนึกดีจะเรียนทำค่ะสาธุสาธ